เราก็มาฝึกตนสอนตนมีจิตไปในกายมีจิตไปใน ใ, นใจเพราะกายเพราะใจเป็นฐานเป็นตุน้นเป็นก้อนที่แปลสภาพเป็นอื่นไปโกนเพื่อนไปกับสิ่งต่างๆเป็นพิษเป็นภัยก็มีเป็นประโยชน์ก็มีในโลกนี้ เราจึงต้องฝึกตนสอนตนเด็ดปีบุญมันมีบาปมันมีกรรมพรเหล่านี้ไม่เหมือนสัตว์ในกระฉานมีสวรรค์มีนรกมีเปรตมีสุรกายมีทุกข์มีสุขเราจึงรู้จบกสอนตนเดงให้ให้ชีวิตถูกต้องโดยเฉพาะวิธีฝึกกรรมฐานนี่มันรวบยอด นันสรุปโย่ปวดพิชาเตียงมีสติเปนในกายล้วก็ทำดีหลายอย่างแล้วลวความชั่วทำความดีมีศิ น, นเกิดขึ้นเราจะมาพระกาดเอาเพาชั น, นี้จำนานอะไรก็ตามเป็นไปเพื่อการปรึกตนการใช้ชีวิตประจำวัน ยิ่งเรามีหน้าที่โดยตรงเวลานี้การนี้ยิ่งมีชีวิตที่ส่วนตัวไม่ถูกแบง่งมาอยู่าอาศรมที่ร่วมกันในความคิดอันเดียวกันเวลานี้ก็ต่างคนต่างขายันหมั่นเพียร อาศัยจิงวเวทล้อมช่วยบ้างอาศัยการเพิกตนเอาไปบ้างถือโอกาสสอนตนทุกเวลาไม่ใช่หาโอกาสโอกาสที่มีสตินั้นมีมีได้ทุกโอกาสในตัวเรานี่ก็มีอุปกรณ์ที่นำมาให้มีสติได้อในบทต่าง เดินเดินนั่งนอนก็หยืดเคลื่อนไหวตั้งแต่หยาบถึงละเอียดหายใจหิปตาคือน้ำลายกระดิกนิ้วก็ได้ถ้าเราเอามาฝึกเอามาเป็นวัตถุอุปกรณ์ฝึกตนให้รู้สึกตัวถ้าไม่เช่นนั้นมันก็เป็นอุปกรณ์สร้างความหลงได้สังตาเห็นรูปเกิดความหลง มุ่ดยินเสียงเกิดความหลงจะหมกได้กินขึ้นได้ลดกายสัมผัสจิตใจคิดนึกเป็นหอกเกิดเป็นความหลงได้ถ้าเราเพกก็ออกมาเป็นที่ตั้งแหความรู้สึกได้ถ้าเราไม่เึกก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราเพกก็ได้ประโยชน์รวมหลงก็ได้ประโยชน์ให้เกิดความรู้ได้ความทุกข์ก็ได้ประโยชน์ให้เกิดความรู้ได้อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้น มันมีกายมันมีเวทนามีธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่โตเป็นอันอื่นได้กายก็เป็นได้หลายอย่างถ้าเราไม่เปลี่นเป็นที่เหลตอแต่หนาทำชั่วได้เวทนาเวทนาก็เป็นที่ไปต่ออ่อนอื่นเป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อมีสุ ข, สขเป็นทุกข์เกิด วิชาอาวิชาปัญหาประธานภพชาติยืดมั่นเถือมั่นในเวทนาเวทนาในเวทนาเวทนาล้นล้นไม่เป็นไรเพื่อมันล้อ น, นเวทนาล้นล้นกลาเป็นผู้ล้นเวทนาในเวทนาในควงมร้นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเวทนาในเวทนาแล้วก็ยืดมั่นเถือมั่นเป็นขันที่มูปทานเกิด ทุกเกิดโทษได้ได้เป็นขันรุ่นร่วนมันก็มีประโยชน์มันเป็นสัญญาณภัยเวทนานี่ก็ไปไกลไปพ้นไปขี้ไปข่มขืนไปลับไปขมโมยได้ไปบงังคับกับสายทำชั่วได้จิบหายไปวอดได้เพราะเวทนาทำให้เป็นธาตุเวทนาได้ วันที่สอนวทที่ผ่านมาพฤษสภาเป็นวันเลิกสุปูดีทั่วโลกประม ย, ยังมีวันอย่างนี้ขึ้นมาเพราะเวทนาเวทนาก็เป็นทุกข์เป็นโทษเกิดโรคภัยไข้เจ็บเป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศชาติต้องซื้ อ, อยุกซื่อยามรักษาเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคปวดเป็นโรคสารพัดอย่างในเวทนาที่มันในเวทนา มันเกิดไปแล้วก็ไปติดคนอื่นได้เป็นคนชุบุรีคนหนึ่งเราประยชน์ใกล้ความุรีเราก็สามารถเป็นพิษกับเขาได้สัญญาก็คือมันก็ติดสัญญาคือมันติดมันจุ่มเอาเหมือนผ้าสีขาวไปเอาสีแดงก็เป็นสีแดงได้ผ้าสีขาวไปเอาสีดำกาเป็นสีดาได้ จิตของเราแต่ก่อนมันบริสุทธิ์เหมือนผ้าสีขาวเมื่อมันใกล้เึงใดก็ไปตีเชิงนันได้หรือจิตที่ผลเพื่อนเปรอเพื่อนได้เ ก, กิดความโลภความหลงในจิตเกิดความรักความชังในจิตที่เดชาหารในจิตได้เรียว่าสัญญาสังขารก็คือขยันขยันคิดเรื่องนั้นขยันปนขยันรับใช้สังขารตัว น, นี้เป็นความขยันเป็นอาชีพไปเลยของสังขาร อยู่นิ่งไม่เป็นปรุงตตแต่พื้ตเพอการปรุงการเกิดจาบสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมันก็ยังขยันปรุงวังทีมันปรุงขึ้นมาเป็นทุกข์เขาก็ยังปรุงให้เป็นทุกข์อยู่มันเพราะมันเป็นไอชีพของเขาปวงให้สุขวงให้ทุกข์หลงในความสุขหลงในความทุกข์ความสุขความทุกข์เป็นสังขารไม่เที่ยงมันยังปรุงอยู่คิดขึมาแล้วปรุงขึ้นมาแล้ว ทำลงไปแล้วก็ยังไม่เคียดไมหลาบเพราะสังขารมันมีอาชีพแบบนั้นวิญญาณคือติดเอาเมื่อไปจุ่มเหมือนสัญญาคือจุม่มวิญญาณก็ติดเมื่อมมนติดก็เป็นเลยไปวนะิญญาณนห่ยค็เป็นเปรตโลภไม้รู้จบอิ่มอยากในความคิดบางทีร่างกายมันไม่อยากมันหิว แต่กิเลสมันอยากไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อนี่วิญญาณมันติดมันมีอย่างนั้นมันมีรูปมีนามมีกายมีใจเราจึงมีวิธีปฏิบัติมีความเพียรเครื่องผ่าวกิเลสมีสติมีสำญนะตอนความพอใจแล้วความไม่พอใจในโลกอกเสือได้เวทนาในเวทนาจิตในจิตในจิตนี้มันก็มีจิตอีกโซนจิต กิจเฉยๆคิดเฉยๆมันรู้อะไรได้ไม่เป็นไรแต่ความรู้ที่มันเกิดจากกิตมันไปไกลเหมือนกันเป็นเพื่ภูมิต่างๆเป็นมูลเป็นบาปได้ถ้าทาไม่เป็นมันจะมักเป็นบาปถ้าไม่ปฝึกตน่ะมันง่ายที่จะเป็นบาปการฝึกตนนก็คือทวนกระเสือกสักหน่อยแล้วก็ทวนอยู่เรื่อยมันหลงรู้เนี่ยทวนไปแล้ว อะไรที่มันเกิดขึ้นเป็นเวทนาสัญญาสังขารมิอาจเกิดขึ้นรู้เท่านี้ยรล้ว่าฝึกว่ารู้มันไม่เป็นแล้วก็ชำดา ن เรื่องนี้มันเข้าออกมันง่ายที่จะฝึกเหมือนบ้านใกล้ทางพขออกได้สะดวกอ่ามันอยู่ใกลหน่อยก็ลำบากเท้าถึงความรู้ดียากตรองหลงขวงกันเอาไว้อะ มีสติมีจัญยะเนี่ยเพื่อยังกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือมีอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ไม่เกิดขึ้นอีกมันทําได้อย่างเนี้ยการฝึกอย่างนี้มันทําได้ฝึกได้ชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นจัดประเสริฐมนุษย์เนี่ยเป็นจัดประเสริฐฝึกได้สอนได้อย่างเนี้หนุ่มก็มีหลักสูตรอ่างนี้มีไหมสติ มีหมความหลงความหลงกับความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วหรือว่ากุศลอากุศลกุศลคือความรู้สึกตัวเอากุศลคือความหลงบาปคือความไม่รู้บุญคือความรู้เพราะไม่รู้มันมืดเหมือนกลางคืนมันมืดบุญมันรู้มันสว่างเห็นรู้เห็นนามเห็นความรู้เห็นความหลง เปลนความหลงเป็นความลู้เห ม, มือนกับเราเปิดสวิตไฟตู้แจ้งแล้วนะเนี่ยมีบุญมีบาปมันมีศาสนาศาสนาคือตัวเรานี่ไม่แต่เป็นคําสอนศาสนสาเครื่อสนสอนก็สอนเรานี่ไม่มีไว้ในตาราเอามาสอนเราศาสนาคือกายาาก็ว่าใจคือใจมีจริงอาศัย ร่างกายมีศาสนาเวลามันหิวมันก็กินข้าวเวลามันร้อนก็อาบน้ํามันอาศัยเวลามันหนาวมก็ห่มผ้ามันปดหนักปวดเบาอาศัยมันก็หลุดออกค้นออกตันนั้นเป็นธรรมชาติแล้วศาสนาที่พันที่จิตใจเนี่ยอันหิวน่ะมันยังเป็นสุขมันเป็นเป็นทุกข์อิ่มันเป็นสุข ไม่ใช่ไอ น, นั้นศาสนาพุทธศาสนาตัวปัญญาที่มันรู้รูปรูปนามเพื่อพุทธศาสนาคือตัวปัญญาเมื่อเห็นรูปเห็นนามมันเป็นปัญญาเรียกว่าศาสนาพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นปัญญาพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกำจัดทุกปัญญาแห่งความกําจัดทุก ว่าทำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ว่าสงบนเครื่องกำจัดทุกข์าศาสนาเนี่ยมัเป็นเครื่องกำจัดทุกข์เวลาบรรทุกมันไม่ทุกข์เวลาบรรโกรดบรรเม่โกรดสิ่งนี้นที่เป็นทุกข์เปนหน้าที่ของพุทธศาสนาถ้ายังทุกข์อยู่โกรธอยู่แม้เราจะว่าพุทธทางสังอิ迦ฌามิตมงังสังอิ迦ฌามิสังั์สังอิ迦ฌามิก็ไม่มีประโยชน์ เวลาหมนทุกข์รู้สึกตัวเปลี่ยนหมนทุกข์เป็นความรู้สึกตัวนี่ด้วยมีพุทธศาสนาแล้วศาสนคือคนเป็นคนดีแล้วไม่บีดเบียนตนเองแล้วไม่บียดเบียนคนอื่นแล้วอันนี้คือพุทธศาสนาถ้ายังเบียดเบียนตนเองอยู่ยังเบียดเบียนคนอื่นอยู่ไม่มีพุทธศาสนาเลยศาสนาคืออยู่เอาไหว้ที่ไหนเอาศาสนาไว้ที่วัด นเอาอยู่บ้านสร้างวัดใหญ่โตหลวงอรหลามเลี่ยมระยุบระยับแต่คนยังไม่ดีเลยอสาสาเจริญนี่อย่างยังไม่เจริญศาสนาคือพระสงฆ์ํำเนรหลวงอรหลามแต่มัดแต่ว่าพระสงฆ์ไม่ขี้พิจุณีตัวโศกปับบิการนุ่งเครนุ่งขาวเพียบเจริญนี่อย่างอย่าง ต่อสาคือพิธีกรรมต่างๆส่วดมนต์ลายพระเจงเป็นพระสวดเป็นพระเสกเจงมีพิธธรรรจารณเกงไปบินตบาบดเมืองสวรรค์เก่งแต่พระพุเจ้าได้คนอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นตัวแทนตายเก่งคือทําพิธีกรรมเจงบุกเสกดินเสก โลหายเป็นผ้าได้เลยเก่งจักสิทธิ์ปืนยังไม่ออกมีดฟันไม่เข้าเก่งอ่า น, นั่นาศนาสนาเคลื่อนแขนข้อย ห, ห้อคอก็ตุดมนยนตกเศกสารเับ้างกระตุดพระหลงพลงังที่ขาดตาขาววัวแล้วก็ เวลาอะไรก็ฆ่ากันในการนอนกายตายเครื่องล้างกองธรรมะต่างหากเป็นพุทธศาสนาตัวจริงมีทำจะมีใครมาฆ่าเป็นคนดีถ้าขาดศีลการธรรมก็ตายเหมือนกั น, น, กนถูกฆ่าตายยิงไปเข้าดีไหมมีดปั้นไปเข้าดีไหมคนก็แสดงหาอย่างนั้นมันดีกว่านั้นก็มีพุทธศาสนา ทำตัวเองจนให้เขาไม่ยิงทำตัวเองจนเขาไม่ดิค่าเขาลักเขาเมตตาเขาคนเป็นคนดีอันนี้ดีที่สุดศา ส, สนาอยู่ที่ไหนล่ะศา ส, สนาอยู่ที่คนคนเป็นคนดีนี่เห็นอยาน่างนี้แต่ก่อนเราก็มีอาถาเยอะแยะเลยเป็นหมอศิษย์ศาสตร์มาปปฏิธรรมกุหลงโพเทียนกลับไปบ้าน เพื่อนๆพู่อครูอาจารย์นักศิยศาสตร์ด้วยกันเห็นเราไปชวนเราไปปูกศีกว่าปีนี้จะออกพระเครื่องรุ่นนั่นรุ่นนี้นี้มนมากกให้จักเกตววนด้วยจะออกพระเครื่องในพรรษาเราก็พูดออกไปหลุดออกไปเลยโอ้ เรานึกว่าคนในโลกนี่โง่เหมือนเราหรือเรานึ้ว่าคนในโลกนี่โง่เหมือนเราหรือคนฉลาดก็มีนะไม่ต้องไปพุกเสกเราก็ไม่พอใจแต่ <c oughs> ก่อนเราก็เอาแต่บันนี้เราไม่ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเรามาเอาธรรมะไม่เอาพระห้อยคอสดธาเจริญคือคนเป็นคนดีเนี่ย ตรงนี้น่าเชิงไม่ใช่ปลุกเสกไม่ใช่อะไรต่างๆแล้วเราปฏิบัติทำไปมั้ก็ยกมืวไหวตัวเองได้อย่างน้อยเอาชนะความหลงเอาชนะความโกรธได้บ้างความโลภโกรธหล ง, ล, งลดน้อยลงบ้างเบาบางลงมงันพระสกีทาคามีทำลายตัวนี้ลงได้ถ้าไม่ทำลายตัวนี้ลงน่ะมันจะเป็นพุทธศาสนาไม่ได้ มันจะต้องทำลายความโลภโกรธหลงความโลภของโกรธความหลงยังเป็นของหยาบอยู่ยังเป็นของหยาบอยู่ละเอียดกว่านั้นคืออนุษย์ใส่ที่มันเคยกินน่นหัดทิ้งใส่ใหม่น่ายที่จะรู้ง่าที่จะปล่อยวางเป็นนิสัยหัดให้มันได้อะไรเกิดขึ้นรู้ง่ายง่ายอย่า เอกใจทำไมทำไมจึงทำอย่างนั้นทำไมจึงพูดอย่างนี้ทำไมจึงทำกับเราอย่างนั้นอันนั้นมันไม่ง่ายมันยากไปแล้วถ้าเกียรติสัยตัวนี้ได้นะ่ะมันง่ายง่ายที่รู้ง่ายที่จะไม่เบียดเบีย น, นตนเองเนี่ยเรามาศึกษาตัวนี้สอนตนไม่ประโยชน์ยกมือไหว้ตัวเองได้ถ้ายกมือไหว้ตัวเองได้ ออก็ถือว่าใช่ได้สม่ไหมปีห้าร้อยสิบสี่ลองตาไปสวนโมกอาจาย์พุทธาอดไปกราบท่านมาจากเลยมาจากไหนภาษาคนไทะมาจากชัยภูมิอือพระชัยภูมิมาทำลายพขน ง, งานผมเสียงงๆๆหางอะไรเลยเอ้าทำอะไรนะเราไม่เราก็ไม่สะดุ้งอะไร แล้วก็เป็นคนใช้ภูมอิกันพระใช้ภูมิมาทําแผนผมพังเลยพูดแล้วหัวอื้อคือคือ ค, คืแรกวัดโมกเนี่ยไม่รับพระไม่มีปอเรียนนะรับตั้งแต่ปอเรียนสามขึ้นไปถ้าไม่มีปอเรียนที่นี่ไม่รับพระใช้ภูมิมาทําลายแผนนี่เสร็จลแล้วมาดื้อมาขออยู่ มาแล้วเขาจะเข้าเหมือนเสาแล้วจะกลับไปก็ไม่ไหวแล้วเงินก็หมดแล้วขออยู่มันจะอยู่ยังไงกติเต็มหมดเต็มผมก็จะอยู่ตามคนไา ม, มา่ทนอะไรไปดอกปกักกดปกรอบอยู่ไม่ได้ที่นี่มันฝนซุกงูพิษก็อยู่ช่าวองมันฝนก็หน่อยก็ไปไม่ได้แล้วต้องขออยู่นี่กอ่อนดอกไม้เชีาที่ไหนพอจะได้จะอยู่ไป แต่ก่อนพระอยู่นั่นมีแต่พระบ่อเรียนไม่ร้องตาใช้พวงเนี่ะไม่เป็นบอเรียนกว่าเขามันไม่ได้ที่นี่ไม่ระเบียบมันรับแต่พระหมอปเปลี่ยนท่านได้บอเรียนไหมไม่ได้ไเลยเลยก็เลยจําเป็นให้อยู่เพออยู่ไปอยู่มาเอา้ามันดีกว่าพระบอเรียนอีกอาจารย์ก็ถ้าฉีกระเบียบนี้ทิ้งเลยไม่รับเอาเอาทุกขลูกแต่ก่อนรับเฉพาะหมหาบอเรียนนะตอนก็หัวเระ แล้วก็ถามตาว่าสวดปฏิโมกจบไหมไม่จบท่องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่หมดสวดธรรมมาจากได้ไหมได้สุบุลีไหมไม่สุบอืีถ้าท่องปฏิโมกได้สามารถจกอไหว้ตัวเองไอมสุบุีไม่สุบุลีก็ยกมือไหว้ตัวเองได้ สวดทำมาจากได้ก็ยกมาไหว้ตัวเองได้มีความขยันพอสมควรนะเอาให้อีกนะเอาให้สวดไปม่บให้ได้จะมีเหลี่ยมไหว้ตัวเองเอ้าทำไมไม่ถามอ่ะมีสติไหมทำไมว่างยืนว่าจะต่อยอดมันสักหน่อยมีสติไหมทาลายความร่ำกรธหลงได้บ้างไหมน่าจะถามแบบนั้นบ้างเนหะมือนกะมุ่งไปตรงนี้จริงๆรนะ อันเหมือนกัปอกก่ากล้วยปฏิบัติธรรมนี่เห็นรูปเห็นนามเนี่ยรูปต้นกล้วยเจะเอาหยวกนั้นจะเขียนมันมาแยงเลียงต้องปอกก่าปอกเสียก่อนจึงจะเอาหยวกเปนได้อาสาเรียกว่าแเกนมันปอกออกเห็นรูปทำเห็นนามทำเห็นรูปทุกนามทุกรูปโอ้ยปอกโอกปอกโอ้ปอกโอ้ปอกโอก้ อ๋อทำรอยนู้นใสได้บ้างปัะโยชน์ได้บ้างสักยญาติฐิวิจิจิฉาสีระพตาประมาต์ได้บ้างไม่มีตนในกายสักกญาติทิไม่มีตนในกิจไม่มีตนในเวทนาไม่มีตนในสัญญาไม่มีตนในสังขารไม่มีตนในวิญญาณเลย เห็นแต่สักแต่ว่าสักแต่ว่าทําไมจะทําลายไปได้สกยาทิฏเตียแต่ก่อนนีตนเต็มไปหมดเอยล้อนคือกูหนาคือกูสุขทุกข์คือกูอผิดกูถูกกูได้กูเสียกูแพ้กูชนะพผมมาทําลายตัวนี้เห็นลูกเป็นนาำหนูไม่มีตนในกายสกยาทิฏเตวิจิจิเช้าไม่สงสัยแน่ี่สุดเลยมาทำแต่นี่มันเป็นนี้ขึ้นมาแต่ก่อน ก็ตื่นตัวเยอะแยะวิจิตรฉาไม่สงสัยในการปฏิบัติศีพตะประมาดไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาสักสิทธิ์เอาอะไรจริงจังความรักจริงจังความโกรธจริงจังความอะไรต่างๆจริงจังกับสิ่งต่างๆรู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางสัพเพธรรมาอนัตตาสัพเพธรรมา อะไรสเปธมานาลังไอพินิเวศายะทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมันทำได้ควมดีก็วางได้ไม่ติดดีความชั่ววางได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเป็นพระมาเลยไม่มีอะไรเลยทั่วสวรรค์ได้ฮทั่วตะโลกก็ได้สุขเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้ไม่มีใครหลอกเราเลยใครจะมาคุยเรื่องสุขลรืทุกข์ให้เราวัง ไม่ไม่ต้องพูดต้งนน้มันทัวร์สวรรค์นทนโลกได้เนี่ยไม่ยืดมัน่นถือมันเอาหนึ่งไปสอนทำที่หาดใจมันเป็นพวกอิสลามแถวนั้าแล้วก็อิจฉาเราหรือเปล่ากวาไม่รู้มาแล้วก็นั่งอยู่ก็ยืนอยู่คนเจียงหรือถ้าเจีงจริงพาเราไปทัวรว์ันนี่ผ่านได้ไหม ก็ว่าอย่างนี้นะขอจับมเอาจริงไหมอะไรๆก็กเหมือนกันนะได้มือขอมือขอจับมือคุณจะเอาจริงมั้ยไหมจู่ๆนี่เอาจริงมั้ยถ้าเอาจริงก็มาสิเขาก็ยอมหอยๆไปไปตีอะไรสีลพตปรมันทำลายตรงได้บ้างตอเกเปลือกบ้างตอเกเปลือกใดบ้าง เห็นกสเสในการทิศทาง่างไม่มืดมนดีใจขึ้นมารู้จากลู ก, ลกจากนานะ้ำแล้วเห็นทิศทางจริงๆได้หลักสูตรแตยก่อนมันไม่ดีใจอ่ะไม่ใช่ใจใจดีนะไม่ใช่ดีใจใจมันดีมันรู้โอ้ใจดีนี่คือบุญแล้วบุญคือใจดี บาปคือใจร้ายโอ้ บ, บาปมันคือความหลงเนี่ยเพราะหลงมันจึงโกรธเพราะหลงมันจึงทุกข์เพราะหลงมันจึงเศร้าหมองพใจดีมันไม่เป็นไรไม่ใช่ดีใจนะดีใจยังใช่ไม่ได้ละบางทีถ้ ด, ด, ดาเขาก็ดีใจนะอะันใจดีมันด่าไม่เป็นมันเหียดปลี่ยนใครไม่เปลี่ยนอันดีใจนี่ได้เปียบเขาก็ดีใจอุ้ยด่ดามันกูก็ดีใจแล้วล่ะ บางทีกูได้ฆ่ามันกูก็ยอมเนาะไปสอนเนรภาคใต้ภตาคดูรดอนนะเดี๋ยวสงขาโลภทะเลสาบสงขาเนนทะเลกันก็เอามาหา้ามขอโทษขอภัยกันแล้วต่างคนต่างอภัยกันแล้วไม่เอาเอาเจะว่าไงอีเขาก็ข อ, ขอภอยแล้วเขายอมแล้ว ให้ผมต่อยมันสักหน่อยผมคิดดีใจให้ผมเลยตีมันสักหน่อยจึงจะดีใจให้ตีกันก็ดีใจเลยอว่าไม่ใช่เนียเลยมันเกบไปตีกันทํามามันเป็นบ่าปอาภัยกันซะผู้จนลงตาท่นั้นให้ตีมันสักหน่อยจะดีใจหรอกบางทีอันดีใจเนี่ยมันได้ตีกันกั ตีมันจะหน่อยก็ดีใจดอกไม่ต้องไปตีกันใจดีตีกันไว้ลองไม่รื่องนี้่บุญนี่บาปเห็นแน่นอนเห็นบุญเห็นบาปแน่นอนเลยเห็นศาสนาเห็นพุทธศาสนาเห็นศีลมีเล่าจึงรู้ โอ้ย oh, เราอยู่กับสินมาทั้งหลายวันโอ้ฉ oh, ินคือปกตินี่เองมีสติก็สมบรวมต่อหงอจมูกริ้กนกายใจปฏิโมกไม่พุ่งพว้ไม่ฟุ่งซอนโอ้ oh, เป็นศีลเนี่ยฉินน่สมาธิคือมันมั่นคงชัดเจนแม่นยำชีวิตงดงมสมาธิไม่หวั่นไหวอะไรงี ปัญญาก็รู้จักเปลี่ยนรลายเป็นดีเป็นมาเท่าไหร่เปลี่ยนไม่ดีหมดซึ่งความทุกข์นะเหมือนน้ำมันกับน้ำน้ำมันกับน้ำนี่เราไปเทให้มันปนกันมันไม่ยอมปนหรอกน้ำมันจะต้องอยู่หนือน้ำตลอดเวลาดังนั้นปัญญาเนี่มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับน้ำมันเหนือน้ำใจจะทําให้น้ํามันมันปนลงไปในน้ามันไม่ยอมปน เพราะปัญญามันรู้จบผิดถูกมันไม่เอาจริงๆผิดอนะันทีอปวดทุกข์เนี่ยรวดบ้างสักดอยไมนะ่นาโกรธนะคนนี้นะโอ้ย ข, ข่มขืนตัวเองแม้แต่คิดไปมันก็ไม่ไปมันไม่ยอมไปมันไม่เอาทีว่าของถูกเออโอ้ยเรามีสินเลยจึงรู้สินสมาธิ ป, ปัญญาคือภาวะนี้เอง บุญคือภาวะนี้ศาสนาคือภาวะอย่างนี้พุทธจาจย์ช่างคือลูกคือตื่นไม่หลับไม่ไหลเพราะอา น, นิสงส์ของการฝึกตนไมนมีกระแสไปเน่นะโอ้หลวงพ่อเทียนฉลาดแท้มาสอนใ้ก่านลูกลูบ ล, ลูกน้ำเนียให้ลูกจากตัวเองเนี่ยโอ้ใจคิดว่าเอ้าครูคนสุดท้ายของเรหลวงพ่เทียนนี่ย สร้างใจปฏิบัติวานี่คือไม่ต้องไปเชื่อหลวงพ่อเชื่อเราเองเราทำไปมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาไม่ใช่ไปคิดเห็นมันพบเห็นเข้าไม่ใช่คิดเอามัอนพบเห็นมันต่อหน้าต่อตาแบบเนี้ยเราบัลหลงลู้ได้ไหม นักตรงนี้ก็มันไม่มีอะไรก็ลู่้เลยไปความรู้ไม่ได้หนักหนาอะไรไม่ได้แบกได้หาบอะไรยิ่งรู้เท่าไรยิ่งเบานอนอยู่ก็รู้ได้ทำอะไรก็รู้ได้ยิ่งเรามีคนแก่มีอายุเนี่ยสนุกปฏิบว่าตะไรอ้างได้ไม่มีใครคิดจะใช้คนแก่ ยางไม่ออกเรเก่าไม่ออกไม่ไงไปตำเจ้าไนะไปฮันระักไะไม่มีใครกล้าใช่เราหรอกมีแต่เขาห้อยอย่าไปถือคนแก่เลยเป็นผู้มีอายุแล้วก็ไม่ถือเราคุลบคนแก่ ยิ่งป่วยมันล้องตาเขาก็ยิ่งไม่รอใช่หเล่ะนั้นนั่นเรามีสิทธิร้อยเป์เซ็นต์ใบที่สุดเลยแก่มาเนี่ยมือแดงเก๋วเลยไม่กำลังมากมือจับจอดจับเสียมข้าวเหม็งแตกเป็นกเนกศเป็นกลามตาวัดเจดโอหลงพระเจดเราไปแบกไปหาบต้นไม้ถ้าหาบตอนกลางวันตัวพระเนนจะเห็น อาบกางคืนไปผูกลุยน้ำคล้างน้ำฝนน้ำคล้างพาลงพงไปไปแต่เป็นเจ็บเป็นกนล่าวเอวนี่เยี่ยงคนร้อนเลย เ, ยเกียร์มันก็ดีนะสนุกเกียสนุกเก็บมันก็นไม่มีดอกถกะมาเถอะพวกเราคนไทยประเทศไทย มีวัดวารามีพระสงฆ์มีวาสกมีบาจิกามีพุทธศาสนาประจำชาติมีคำสั่งคำสอนเชิญชวนมาแล้วมาเถอะออกบูชัวนัสบาสุโกโตปฏิบัติธรรมเชมิมที่สิ บ, บัน ประกาศไปแล้วมาแล้วก็จะคิดถึงแต่บ้านให้ใช่ชีวิตไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยากปริพศเกันไปอาวา่าบริโภพศแต่ว่าสงฆ์ก็ห่วงแต่วัดไม่ชีก็ห่วงแต่วัดอาวา่าบริโพศญาติปฏิพศของอาจารย์ห่วงลูกห่งหลานห่วงลูกจิตลูกหาอันดีมันก็เป็นโอษฐ์เหมือนกันนะอย่างพระ ปิงขียะหนมนุษย์1 6หกคนไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าอาจารย์ให้ไปถามปัญหาพระพุทธเจ้ามอบมาไปสิบหกคนต้องกันถามให้คนละปัญหาแผ่งกันในฤทิสมัยก่อนกูต้องหกวีมานุษคนหนึ่งไปฟังพระเจ้าตอบ ป, ปัญหา มานบแต่คนถามใบพระเจ้าว่าถามต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปมีมานุปกันหนึ่งอาจจะเป็นปิงเคียมมานบเลยอะไรก็ไม่รู้ขอพระคิดถึงลุงตัวเองซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนอยู่ที่นอนเป็นลุงโอ้ยอยากให้ลุงมาฟังทำบะเวลาพระเจ้าเทศก่อนไหนเรื่องใดคิดถึงแต่ลุง ส่วนมโนษิ์1าคนนั้นน่ะตั้งใจฟังตามคำสอนไปเลยเกิดบรรลุธรรมทั้งหมดสิบห้าคนเหลือมโนย์คนเดียวนี่ห่วงแต่โลงตัวเองเหมือนโยมะห่วงแต่หลานห่วงแต่ครอบครัวห่วงแต่วัดวล า, ามโดยไม่บรรลุธรรมกับเขาปันห่วมก็ดีอยู่ดอกแต่มันเป็นบรลปโภร์นะดูดีด มันไม่ห่ว ง, งเฉพาะวันนี้มันห่วงไปจนตายจนตายไปก็ยังตายอยู่ในห่วงเป็นงูเหลืองเฝ้าสมบัติไปตายเป็นอื่นเห็นไ้ยอื่ึงะห่งไลห่วงนาฝังนี่ทำไหมพี่น้องสองคนได้รับมดรดกพ่อแม่งนายพ่อแบ่งนายแบ่งนายก็เอาคนที่ออกจากนี่ไปนี่ จอปวกเนี่ยห่างจอมปวกนี่ไปวาหนึ่งนั้นให้น้องวันนั้นให้แบ่งกันเลยก็พ้นตกมาไปต่ปห่วงนาของตงัวเองคิดแต่เรื่องนาแต่ไงจึงจะได้อีกสักหว่าจะสอบพ่อบอกให้เอาจะบอมปวกไปวาหนึ่งถ้าเราจะกลัวชักหน่อยก็ดีนะคิดก็ไปพันกระดาไม่ห่วงอะห่วงแต่ลาแต่ไล่แต่แตสวน ปั้นตัวน้องชายก็อ้อพี่พ่อบอกให้ห่างจากนี่มานี่วาหนึ่งนะมันขวนะมันว่าัวนะวาเดียวไม่ใช่มันกลัวนะมันโลภพ่อน้องชายก็บอกมันวาเดียวหวาหนึ่งอย่านีะยวาหนึ่งว่าขว่าเถียงกันไปเชงมาฆ่ากันตายอนะันห่วงไรเป็นอื่นอย่าง ก็ว่านะได้ยินไหมเรฝนตกบางเถียงกันยานีวา่วาว่ากลัวเได้ยินไหมวันมกมันเ่นไม่อื่นอย่างนะเอามาป่วยก็ไม่ร้องให้ฟังสักตัวเลยงูจีนหมดนี่เนะีซื้อมาจากทรัพยใหญ่เอามาตั้งกระทงสอบปุ๋ยดังซื้ออื่นมามากระจะให้เอาายมาใายให้ เอาไ้ปล่อยใ ห, ให้มันม่อนายอยู่นะถึงหน้าฝนตรงเนี้ยที่ใกล้ใกกับตีจันทน์เแต่ก่อนมีหนองน้ำอยู่นั่นเอาใส่ใจอย่างดีเไปล่อยอย่างนี้ถึงก็ซอกใายก็ซอกปุ๋ยนั่นนะซื้อมาไม่มีโรงสักตัวเลยอยากฟังมันบ่าหนง่งว่าลัวเอามาสอน้ว่ขี่ เรากันแบบนี้อย่าห่วงอะไรกันไปเป็ิโทษกองบนอุปจักต่อการมารู้ธรมนะ